เพื่อม า, มาบำเพ็ญบุญบรารมีต่างๆเพราะเชื่อว่าบุญบรารมีเป็นเหตุที่ทำให้พวกเรามีความแตกต่างกันเช่นทานบรารมีถ้าใครบำเพ็ญทานบรารมีมากก็จะมาเกิดมีความร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมาก ถ้าบำเพ็ญทานบา ร, รมีมาน้อยก็จะมาเกิดแล้วก็รวยน้อยหรือมีทรัพสมบัติเท่าของเงินทองน้อยถ้าบำเพ็ญศีลบา ร, รมีตายไปก็จะได้ไปสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรต ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราชานถ้าและบำเพ็ญในกมมะบา ร, รมีคือการออกบวนถ้ามาเกิดก็จะบวชได้ออกบวนได้และจะบวชนานถ้าบำเพ็ญมามากก็จะบวชได้นานถ้าบำเพ็ญมาน้อยก็บวชได้น้อยถ้าบำเพ็ญปัญญาบา ร, รมี มาเกิดก็จะมีความฉลาดมากถ้าบำเพ็ญน้อยก็จะมีความฉลาดน้อยถ้าบำเพ็ญวิริยะบารมีคือความอุตสาหะภาคเพยียนมากๆก็ทําอะไรก็จะประสบกับผลสําเร็จเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเคยบําเพ็ญวิริยะบารมี คือความพยายามความภาคเพียรก็ยายายายาจะติดเป็นนิสัยมาพอทำอะไรก็จะไม่ลดละไม่ท้อถอยจะพยายามทำจนกว่าประสบความสำเร็จนี่คือบารมีต่างๆที่พวกเรามาบําเพ็ญกันถ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยเจ้าลำดับต่างๆ ก็ต้องบำเพ็ญบารมีทั้งสิบให้ครบเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการในภพชาติต่างๆมาพอถึงภพสุดท้ายก็สามารถตัดสรุ้เป็นพระอรหันตะสา ม, มาสัมพุทธเจ้าได้เลยบารมีสิบประการที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ น, นั้นก็มี ทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีอธิษฐานบารมีสัจจบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีขันติบารมีและอุเบกขาบารมีนี่คือบารมีสิบประการที่เป็นคุณเป็นเหตุที่จะทำให้มนุษย์ พวกเหล่านี้มีความเจริญก้าวหน้ามีความสุดมีความแตกต่างกันดังที่เขามีคำพูดไว้ว่าแข่งรถแข่งเรือพอแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งบารมีนี้แข่งกันไม่ได้ต้องบำเพ็ญมาเช่นชาตินี้เรามาเกิด เราเคยบำเพ็ญมามากน้อยเราก็จะได้มากน้อยถ้าเราเห็นคนอื่นเขามีมากกว่าเราเราอยากจะได้มากเท่าเขาเราก็ต้องบำเพ็ญบารมีจะไปแข่งกันไม่ได้ต้องบำเพ็ญบารมีแล้วรอให้บารมีนี้ส่งผลอาจจะเป็นพบต่อไปพบนี้ยังเป็นพพที่ เรากำลังบำเพ็ญบารมีกันอยู่เหมือนกับการปลูกต้นไม้เราปลูกต้นไม้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ผลของต้นไม้ในวันนี้เลยเราก็ต้องรอไปในวันข้างหน้าช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ต้นไม้บางชนิดก็ออกดอกออกผลเร็วบางชนิดก็ออกดอกออกผลช้า แต่ถ้าเราบําเพ็ญเราสร้างเหตุไว้แล้วไม่ช้าก็เร็วผลที่เราได้บําเพ็ญไว้ก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนขอให้เรามีความเชื่อในเรื่องของการบํบราเพ็ญบารมีนี้เถิดแล้วอนาคตของเราในข้างหน้าจะดีขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอนทานบรารมีก็คือการให้ ให้นั้นก็มีให้ได้หลายอย่างให้ข้าวของเงินทองอย่างที่ญาติโยมนำมาถวายพระรวัวนนี้เรียกว่าวัตถุทานการให้ข้าวของนเรียกว่าวัตถุทานถ้าให้ความรู้แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าวิทยาทานถ้าให้ธรรมะแก่ผู้อื่นก็เรียกว่าธรรมทาน การให้ทั้งสามชนิดนี้พระองค์ทรงตรัสว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะการให้ธรรมะนี้จะทำให้ผู้ได้รับธรรมะหูตาสว่างสามารถมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอริยเจ้าบรรลุเป็นพระอารหันตัดพบชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่มีอย่างอื่นสิ่งอื่นที่จะสามารถทำได้นอกจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าให้วัตถุเข้าของเงินทองก็จะช่วยดูแลร่างกายให้อยู่ได้อย่างปกติเช่นญาติโยมนำเมากับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานมาถวายพระพระก็จะได้รับประทานอาหารนี้ ก็จะทําให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกวันหนึ่งแต่อาหารขาหวานต่างๆนี้จะไม่สามารถทําจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้การจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้ต้องต้องธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองวิชาความรู้ที่เราให้แก่ผู้ ก็จะเป็นวิชาความรู้ทางโลกเขาก็สามารถตาาออกไปประกอบอาชีพได้ถ้าเขาถ้าเราสอนให้เขารู้จักทำทำกับข้าวกับปลาเขาก็ไปเปิดร้านอาหารได้ถ้าสอนให้เขาเย็บปักถักร้อยเขาก็ไปเปิดร้านเย็บเสื้อผ้าได้แต่มิตยาทานนี้จะไม่สามารถ ทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เวลาจิตใจเขามีความวิตกกังวลถ้าเขาได้ยินได้ฟังธรรมะเขาก็จะสามารถทำให้ใจของเขานั้นหายวิตกหายกังวลได้หายจากความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นท่านถึงตัดไว้ว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าธรรมะนี้มีคุณค่ายิ่งกว่า สิ่งอื่นใดในโลกนี้เองนี่คือสิ่งที่เราสามารถให้ต่อกันและกันได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราว่าเรามีอะไรจะให้ถ้าเรามีวัตถุมากมีข้าวของเงินทองมากก็ควรที่จะแบ่งให้ผู้อื่นบ้างให้ผู้อื่นเขาได้รับความสุขบ้างเพราะเงินที่เรามีมากเกินความจําเป็น มันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่อย่างใดแต่การเอาเงินนี้ไปให้ผู้อื่นจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเพราะการการให้ทานนี้จะทำให้ใจเรามีความอิ่มเอิบมีความสุขใจมีความพอใจแล้วก็ยังเป็นบารมีที่จะคอยดูแลเราในภพต่อไปไปเกิดพบหน้าชาติหน้า ให้ทานบา ร, รมีมากก็จะมีฐานะที่ร่ำรวยมากถ้าให้น้อยก็จะมีฐานะที่ร่ำรวยน้อยนี่คือทานบา ร, รมีส่วนศีลบา ร, รมีนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายผู้ที่สามารถรักษาศีลได้อย่างอย่างสม่าเสมอหรืออย่างตลอดเวลา ทุกเวลานาทีเช่นพระ อ, อริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านปิดประตูของอบายได้เพราะท่านจะรักษาศีลอ ย, ย่งกว่าชีวิตของท่านท่านเห็นด้วยวท่านเห็นด้วยดวงตาแห่งธรรมว่าการทำบางนีแหลเป็นเหตุที่จะทำให้ต้องไปเกิดไปใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ไปเกิดเป็นเปรตหรือไปตกนรกไม่ใช่อะไรที่จะส่งเราไปก็คือการทําบาบนี้เองเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายามาการกระทำเหล่านี้เป็นเหตุที่จะทําให้เราต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเราไม่กระทําบาปเหล่านี้เราก็ไม่ต้องไปเกิด เช่นพระอริยเจ้าทุกของนี้ตั้งแต่วันที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าแล้วเวลาท่านตายไปท่านจะไม่ต้องไปเกิดในอบายนี่คืออนิสงส์จากการรักษาศีลส่วนจากการบำเพ็ญศีลบารมีส่วนเมคขมารบารมีนี้แปลว่าการออกจากความสุขทางกาม ทางการมาสุขคือจะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไม่หาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่หาความสุขจากการไปดูหนังฟังเพลงไม่หาความสุขจากการดื่มหรือรับประทานอาหารชนิดต่างๆถ้าจะรับประทานอาหารก็รับประทานตามความจำเป็นโดยที่ไม่คำนึง ว่าจะต้องเป็นอาหารชนิดนั้นหรือชนิดนี้เชน่ น, ชนพระเวลาได้อาหารมาจากลึงระบาศก็ยินดีกับอาหารที่ได้มารับประทานเพื่อเป็นยารักษาร่างกายให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งไม่ได้แสวงหาความสุขจากการรับประทานอาหารชนิดไหนก็ได้ถ้ารับประทานเข้าไปแล้ว ทำให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้ทำให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นอาหารเป็นสิ่งที่รับประทานได้ไม่จำเป็นจะต้องเลือกชนิดนั้นชนิดนี้ให้ถูกปากถูกใจถ้าเลือกเพื่อถูกปากถูกใจเราไม่เรียกว่าเป็นการรับประทานเพื่ อ, อย่างชีพแต่เป็นการรับประทานเพื่อความสุข คามสุขผู้ที่บำเพ็ญในขัรมะบารมีก็จะละเว้นจากการหาความสุขแบบนี้เช่นผู้ที่ถือศีลแปดรับประทานอาหารก็ไม่รับประทานมากจนเกินไปรับประทานเพียงเที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันแล้วก็จะไม่รับประทานอาหารอีก แล้วก็จะไม่หาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงจากการแต่งเนื้อแต่งตัวจากการใช้เครื่องสําอาใช้น้ำหอมต่างๆแล้วก็จะไม่หาความไม่หาความสุขจากการหลับนอนจะหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายนอนบนพื้นไม้พื้นแข็งๆไม่จำเป็นจะต้องนอนบนฟูกหนาาเพราะจะเป็นการ หาความสุขจากการหลับนอนแล้วจะเสียเวลาเพราะถ้านอนบนฟูกหนาๆก็จะนอนเกินความจำเป็นตามปกติร่างกายนี้ถ้าได้นอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอเพียงแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆก็อาจจะนอนเจดปดหรือเก้าชั่วโมงเพราะมันสบาย แต่เวลาอันมีค่าของเรานี้จะเสียไปเวลาที่เราจะเอามาสร้างบารมีอื่นๆเช่นปัญญาบารมีก็จะไม่มีโอกาสแต่ถ้าเรานอนเพียงเพื่อพักร่างกายพอนอนทักสีห้าชั่วโมงก็จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็ง นี่คือเรื่องของเนคข ม, มาบารมีคือการออกบวชถ้าเคยบำเพ็ญเนคข ม, มาบารมีมามากก่อนมาชาติใดก็จะติดนิสัยนี้จะออกบวชเสมอจะไม่ชอบใช้ชีวิตแบบของคารวะเพราะไม่ชอบหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายจะชอบหาความสุข จากการทำจิตใจให้สงบจากการตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบหรือฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาก็จะทำให้ใจมีความสุขอีกแบบหนึง่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือเนธธรรมะบรารมี ผู้ที่มาอยู่วัดนุน่งขาวห่วมขาวหรือมาบวชเป็นพระเป็นสัมมาณีนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่กำลังบำเพ็ญในขมภะบารลีถ้าบำเพ็ญไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าตามลําดับต่อไปได้บรรลุเป็นพระโสดาบันสักพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต อย่างแน่นอนนี่คืออนิสงของการบำเพ็ญเนกขมบารมีส่วนปัญญาบารมีก็เป็นการสร้างความฉลาดปัญญานี่แหละจะเป็นตัวที่จะตัดความทุกข์ตัดพพชาติได้ถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะตัดไม่ได้เพราะความหลง นี่เป็นเหตุที่ทำให้สับโลกหลงยึดติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่ดีเลยเพราะเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากสิ่งที่รักทั้งหลายถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะไม่อยากจะมาเกิดแล้วก็จะเห็นว่าเหตุที่จะทำให้ ไปเกิดก็คือความอยาก3ชนิดด้วยกันคืออยากในการคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหรือความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากมีอยากเป็นก็คือเช่นอยากรวยอยากมีชื่อเสียงอยากมีตําแหน่งสูงๆอยากจะมีความสุขมากๆ ตาหูจมูกเป็นกายอย่างนี้เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นส่วนความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากไม่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจก็จะทำให้ใจนี้จะต้องไปเกิดใหม่เช่นเวลาที่ใกล้ตายแล้วเกิดความกลัวตายไม่อยากตาย พอร่างกายตายไปความไม่อยากตายนี้ก็จะดึงให้ใจนี้ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้หาความสุขทางตาหูจมูกม้นกายต่อไปแต่ถ้าไม่มีความอยากในการไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่มีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเวลาตายก็จะไม่มีอะไร ที่จะผลักให้ใจไปเกิดใหม่ไม่มีความอยากจะไปฉุดให้ไปเกิดใหม่ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะบาเพ็ญเพื่อให้ถึงพระนิพพานเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดก็จะต้องบาเพ็ญปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีนี้ก็มีอยู่สามลักษณะด้วยกันที่เราสามารถบาเพ็ญได้ ขั้นแรกเรียกว่าสุตมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเช่นในขณะนี้เรากำลังได้ยินได้ฟังธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเรากำลังได้ปัญญาที่เรียกว่าสุตมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะก็เป็นปัญญาชนิดเดียวกัน แต่ปัญญาชนิดนี้ยังไม่มีกำลังมากพอที่จะสามารถตัดความอยากต่างๆได้เช่นวันนี้เราได้ยินว่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสจะทำให้เรานั้นติดอยู่กับความสุขจะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะถือศีลแปดกันได้ทั้งๆที่รู้ว่าการถือศีลแปดนี้ดีกว่าการไม่ถือศีลแป เพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีปัญญาที่มากพอคือฟังหนเดียวนี้ยังไม่มีกำลังมากพอเราต้องฟังบ่อยๆหรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาให้เป็นปัญญาระดับที่สองที่เรียกว่าจินตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากความคิดใครครวนเช่นวันนี้เราได้ยินได้ฟังธรรมะใน มุมต่างๆเราก็นำเอาไปทบทวนเอาไปคิดต่อเอาไปพิจารณาเอาไปสอนใจเราต่อว่าถ้าเราอยากจะเกิดมาดีกว่าเดิมเราก็ต้องบาเพ็ญบารมีต่างๆถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องตัดความอยากต่างๆให้หมดไปให้ได้และเราจะตัดได้ด้วยปัญญาปัญญาก็คือ ปัญญาที่เห็นว่าความอยากนี้ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแต่ทำให้เรามีความทุกข์มากกว่าเวลาเรามีความอยากแล้วเราจะ ก, ะกะังวลก歪กระสับกระสายเราจะกังวลว่าจะได้สมความอยากหรือไม่เช่นเราอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งถ้าเรายังไม่ได้เราก็จะรู้สึกไม่แน่ใจเราก็จะมีความ <c oughs> มีความกระสับกระส่ายกระวนกรวายถ้าไม่ได้เราก็จะเสียใจเป็นความทุกข์อีกอย่างถ้าได้มาเราก็เอาไปใช้จนหมดพอหมดแล้วเราก็อยากจะได้เงินใหม่เราก็ต้องหาใหม่เราก็ต้องมากระวนกระวายมากระสับกระสายมาทุกข์กับการหาเงินหาทองดังนั้นาความอยากต่างๆนี้มันไม่ได้ทำจิตใจให้เราสงบ แต่จะทําให้จิตใจเราฟุ้งซ่านกวนกว่า ก, กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีความสุขความสุขเกิดจากความไม่อยากเวลาเราไม่อยากนี้จิตเราจะสงบจะเย็นจะสบายจะมีความสุขเราก็ต้องเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนี้เรียกว่าจินตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิด คิดอยู่เรื่อยๆแต่การคิดอยู่เรื่อยๆนี้เราก็ยังไม่สามารถคิดได้ตลอดเวลาเพราะบางเวลาเราก็ต้องคิดเรื่องอื่นเพราะเราต้องทํามาหากินทําเราก็ต้องเอาความคิดนี้ไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะไม่ได้มาคิดทางปัญญาแล้วเวลาที่เกิดความอยากเราก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ ย้งเว้นเวลาที่เราคิดอยู่ว่าความอยากไม่ดีเป็นโทษเราก็จะไม่อยากได้มันก็จะช่วยตัดความอยากได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถตัดได้ทั้งหมดเราต้องอาศัยปัญญาอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าภาวนามยับปัญญาปัญญาระดับนี้เป็นเป็นปัญญาที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเรื่อง โทษของความอยากแต่เราจะคิดได้เราก็ต้องออกบวชเท่านั้นเพราะเวลาเราออกบวชเราก็จะได้ไม่มีภาระหน้าที่การงานต่างๆเราก็จะได้มีเวลาที่จะบําเพ็ญที่จะคิดที่จะเจริญปัญญาทุกลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานุนว่าพระอานุนจะต้องเจริญมารณาโนตสติ ทุบลมหายใจเข้าออกถึงจะสามารถตัดกิเลสได้ถ้าเรานึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันก็จะทําให้เราไม่อยากจะได้อะไรเพราะได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ตายไปสิ่งที่เราอยากจะได้มาเราก็เอาติดตัวเราไปไม่ได้สู้อย่าไปหามาดีกว่าอย่าไปอยากได้ดีกว่าเพราะกว่าจะได้มาก็ต้องเหนื่อยต้องทํามาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทอง เพื่อที่จะไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้มาพอได้มาไม่นานวันสองวันก็อาจจะตายไปก็ได้ถ้าเราคิดถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจก็ออกเราจะตัดความอยากต่างๆได้หมดแม้แต่ความกลัวตายก็จะตัดได้เพราะจะไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าอย่างไรย่งไรก็จะต้องตายอย่างแน่นอนนี่เรียกว่าพานาะไมยปัญญาการเจริญปัญญา ทุกลมหายใจเข้าออกนี่คือปัญญาที่จะทำให้เราตัดกิเลสตัดตัณหาได้ตัดทบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต้องเป็นปัญญาชนิดนี้คือต้องคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคิดอยู่ตลอดเวลาพอเกิดความอยากปับ๊บมันก็จะหยุดได้มันก็จะคิดว่าเอามาทาไม เอามาแล้วได้อะไระมีแต่ได้ความทุกข์มาถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่อยากได้อะไรพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสบายมีความสุขเวลาตายไปก็จะไม่มีความอยากมาฉุดลากให้ไปเกิดใหม่ก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่นี่คือปัญญาบารมีส่วนบารมีชนิดอื่นๆก็มีอธิษฐานบารมี อธิษฐานบา ร, รมีนี้แปลว่าความตั้งใจไม่ได้หมายความว่าขออธิษฐานนี้ภาษาของพระแปลว่าความตั้งใจแต่ทางโลกเขามาแปลว่าเป็นการขอเช่นเวลาเราอยากได้อะไรเราก็อธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บขอให้ร่ำให้รวยแต่นี่ไม่ใช่เป็นความหมายทางาศาสนา เพรา ะ, ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ขอไม่ได้ถ้าอยากจะรวยก็ต้องจิตอธิษฐานว่าจะขยันทามาหากินจะขยันเก็บเงินเก็บทองจะขยันทำขยายกิจการให้ให้เจริญก้าวหน้าอย่างนี้ต่างหากถึงจะทำให้รวยได้เราต้องตั้งอธิษฐานที่เหตุอย่าไปตั้งอธิษฐานที่ผลผลมันเกิดตามจากเหตุ เหตก็คือการกระทําของเรานั่นเองเช่นถ้าเราอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานเราก็ต้องออกบวชเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเราก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าเกิดมาทุกภพทุกชาติขอให้ได้ออกบวชขอให้ได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการอธิษฐานที่ถูกต้อง<ม>คือความตั้งใจเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัจจะบารมีด้วย คือเราต้องมีความจริงใจต่อความตั้งใจของเราไม่ใช่ตั้งไว้เฉยๆพอถึงเวลาทำก็ไม่ทำเช่นวันนี้ตั้งใจจะมาวัดพอตื่นพอพอตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกขี้เกียจไม่อยากจะมาก็เปลี่ยนใจไม่มาอย่างนี้ก็จะไม่ได้ประสบกับผลที่เราต้องการคือไม่ได้มาสร้างบุญบรารมี เมื่อเราตั้งใจแล้วเราต้องมีความจริงใจคือมีสัจจะตั้งใจแล้วตื่นขึ้นมาถึงแม้จะไม่อยากจะมาก็ต้องมาต้องบังคับตัวเองมาให้ได้เพราะว่าได้สัญญากับตัวเองไว้แล้วนั่นเองการตั้งการตั้งใจนี้ก็เป็นการให้คำมั่นสัญญากับตัวเราว่าเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอถึงเวลาเราก็ต้องทำให้ได้ ถ้าเรามีสัจจะเราก็จะทำได้ถ้าเราไม่มีสัจจะเราก็จะทำไม่ได้เมื่อเรามีสัจจะแล้วเราก็ต้องมีวิริยะบารมีเราก็ต้องมีความพยายามมีความภาคเพียรพอตั้งใจแล้ววันนี้จะมาพอตื่นข้มาแล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอะไรต่างๆแล้วก็ต้องออกเดินทางมาถ้าไม่มีวิริยะบารมี คือความภาคเพียนความขยันก็อาจจะมาไม่มาก็ได้พอตื่นขึ้นมาแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เกียดก็เลยไม่ออกจากบ้านเพราะเราขาดวิริยะบารมีวิริยะบารมีนี้เป็นเหตุปัจจัยที่สําคัญในการที่จะทําให้เราทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนี่คือวิริยะบารมี และนอกจากนั้นก็ยังต้องมีขันติบารมีเพราะเวลาเราทำอะไรแล้ว เ, เกิดอุปสรรคเกิดความยากลาบากเราก็ต้องมีความอดทนขันตินี้แปลว่าความอดทนจะยากจะลำบากอย่างไรก็ต้องทำไปทำไปเพื่อที่จะได้ผลอันดีที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปเช่นตอนนี้ถ้าไม่มีขันติ ไม่มีความอดทนที่จะนั่งฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่สามารถนั่งอยู่ฟังต่อไปได้ก็จะต้องลุกออกไปข้างนอกก็จะไม่ได้ปัญญาบา ร, รมีจะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพอพระพุทธเจ้าดังนั้นเราจึงต้องบําเพ็ญขันติบา ร, รมีด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีเมตตาบา ร, รมี เราต้องมีจิตใจที่เมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นไม่อาฆาตพยาบาทไม่จองเวรจองกรรมให้อภัยแก่ผู้อื่นเวลาที่ผู้อื่นทําอะไรให้เราเกิดความเสียหายขึ้นมาเมตตาบรารมีนี้จะทำให้จิตใจเรามีความสดชื่นเ บ, บิบาน จะทำให้การปฏิบัติของเราในการบาเพ็ญบรารมีต่างๆนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่น อ, อย่างสะดวกรวดเร็วและบรารมีองค์สุดท้ายก็คืออุเบกขาบารมีคือเราต้องอาจทำใจให้ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาจะเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องของเขา เราไปบังคับเขาไม่ได้เขาดีกับเราหรือร้ายกับเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไปวุ่นวายกับเขาเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราช่วยเขาได้ให้ความเมตตากับเขาได้เราก็ช่วยเขาไปให้ความเมตตากับเขา จะช่วยไม่ได้เราก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาคือยอมรับความจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาหรือเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องเจอทั้งคำสรรเสริญและคำนินทาเราไปเราไปเลือกไม่ได้จะเลือกให้คนเขาชมเราอย่างเดียวไม่ได้เขาจะด่าเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ แต่ถ้าเรายอมรับความจริงด่าก็ด่าไปเราไม่เดือดร้อนเสอย่างต่อไปเขาก็จะไม่ดา่าเราเองเพราะเขาเหนื่อยด่าแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับเวลาที่เราด่ากับเสาลองไปด่ากับต้นเสาดูดูซิว่าต้นเสาก็จะมีความรู้สึกอะไรหรือเปล่าเขาจะเฉยๆเขาไม่วุ่นวายเขาไม่เดือดร้อนเราด่าเข้าไปสักพักหนึงเราก็จะเหนื่อยเอง เช่นเดียวกับเวลาคนอื่นเข้าด่าเราแล้วเราเฉยเฉยทำใจให้เฉยเฉย อ, อย่าไปเสียใจอย่าไปตอบโต้รับรองได้ว่าเดี๋ยวเขาก็จะเหนื่อยเขาก็จะหยุดเองนี่คือบารมีทั้งสิประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาในแต่ละภพในแต่ละชาติจนทําให้พระองค์ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพวกเราก็สามารถบำเพ็ญบารมีเหล่านี้ได้ และสามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ในในพบและพต่อต่อไปได้ถ้าเราบำเพ็ญอย่างไม่หยุดยั้ยงไม่ท้อถอยสักวันหนึ่งเราก็จะได้บรรลุมักผลนิพพานอย่างแน่นอนเราจะได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาทุกกับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไป จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อนำบำเพ็ญบุญบารมีนี้ให้ท่านได้นำาเอาไปพิิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย